สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่์บทที่ 14, ข้อที่21จนถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเลหโภโบอัมโอรสของชโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาเมื่อประชวนมายุ41พันศา ทรงครองราชอยู่17ปีในกรุงเยรูซาเล็มนครซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรจากทุกเผ่าของอิสราเอลให้เป็นที่สาปนาพระนามของพระองค์ราชมารดาของเรโโบอัมคือนาอามาชาวอัมโมนชนยูดาทำสิ่งที่ชั่วในสายพ เ, เนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าบาปที่เขาทำยั่วยุพระพิโรธของพระองค์ยิ่งกว่าที่บรรพบรุษเคยทำเสียอีก พวกเขาได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายศิลาศักดิ์สิทธิ์และเสาเจ้าแม่อาเชราบนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ร่มไม้ใหญ่ทุกต้นถึงกับมีโสเพณีชายประจำสถานบูชาเหล่าประชากรเข้าร่วมกิจกรรมอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอล ในปีที่5แห่งราชการของเรโหโบอัมกษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์มาโจมตีเยรูซาเล็มชิชักกวาดเอาทรัพสมบัติทั้งหมดไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระราชวังรวมทั้งโล่ทองคําทั้งหมดซึ่งโซโลมอนทรงทําขึ้นดังนั้นกษัตริย์เรโหโบอัมจึงทรงทําโล่ทองคําขึ้นแทนและมอบหมายให้เหล่าผู้บัญชาการรักษาพระองค์ซึ่งประจำการอยู่ที่ทางเข้าพระราชวังดูแล เมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์เสด็จมายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่าทหารรักษาพระองค์จะถือโล่หลังจากนั้นก็นำโล่กลับไปไว้ที่กองรักษาการเหตุการณ์อื่นๆในราชการของเรโหโบอัมตลอดจนพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือมีสงครามรบพรุ่งกันไม่ขาดระหว่างเรโโบอัมกับเยโลอัมแล้วเรโโบอัม ก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ร่วมกันในเมืองดาวิดราชมารดาของเรโฮโบอัมคือนามาชาออมโมนแล้วอบิยาโอรสของโปรงขึ้นของราชแทนพี่น้องครับกษัตย์เรโฮโบอัมซึ่งอยู่ฝ่ายใต้เป็นลูกของซุลโรมอนนั้นเป็นกษัตย์ยูดานั่นคือชื่อเรียกฝ่ายใต้ครับอาณาจักรยูดาเขาขึ้นของราชตอนอายุ41 แล้วก็คลองราชอยู่17ปีครับอายุ58ก็ตายเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตของเลโหโบอัมสิ่งที่เลโหโบอัมทำอะไรครับเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนมากในขณะที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นนครของพระเจ้าที่ได้เลือกสรรไว้แล้วก็เป็นที่สถานาพระนามของพระองค์ก็คื อ, อ, อมหาวิหาร วิหารของซุลแลมอนที่สร้างนั้นเป็นวิหารที่สวยงามมากๆครับชนยูดาได้ทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าคือสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือสร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายแทนที่จะขึ้นไปน้ำมศ ก, การพระเจ้าที่เ ย, ยรูซาเล็มก็สร้างสถานบูชาเล็กๆกับสถานบูชาแบบนี้ในในภาษาบ้านเราเรียกว่าศาลเจ้านะครับสิลาศักดิ์สิทธิ์และเสาเจ้าแม่อาเชราบนเนินเขาทุกเนินและใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกต้น พี่น้องครับนั่นคือประการแรกที่พระกัมภีร์บอกว่าชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าประการที่สองมากกว่านั้นก็คือมีโสเพณีชายประจําสถานบูชาเหล่านั้นด้วยเป็นกิจกรรมหรือเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่าชิงชังนะสิ่งเรล่านี้มาจากไหนครับถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีก็คือมาจากชนชาติต่างๆชนชาติทั้งหลายชนชาติที่ซูลามอนนั้นได้ นำมาก็คือพวกมเหสีพวกนางสนมต่างๆทำให้เรารู้ว่านั่นคือการแทรกซึมมาตั้งแต่สมัยของโซโลมอนแล้วครับแล้วแผลมันก็มาระเบิดมาปัทุอยู่ในรัชสมัยของเรหโผมฮโอัมลูกชายพี่น้องครับจำได้ใช่ไหมครับผมเรียกว่าหายนะและเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระเจ้านอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือพระเจ้าไม่อวยพรครับ ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้รักษาสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากษัตริย์ชี้ชักแห่งอียิปต์มาโจมตีเยรูซาเลม็มถ้าถามว่าอียิปต์นั้นได้เคยเป็นมหามิตรของอิสราเอลทําไมมาโจมตีเยรูซาเล็มได้อย่างไงอ๋อก็เพราะว่าอียิปต์นั้นเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ลูกสาวของกษัตริย์อียิปต์ราชวงศ์เดิมนะครับมาอยู่ที่เยรูซาเลม็ม มาอยู่แถวๆนั้นพี่น้องครับแต่เมื่อกษัตริย์ชีชักเป็นกษัตริย์ที่เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่เขาก็ไม่สนใจครับมาโจมตีเยรูซาเซล็มชีชักกวาดเอาสมบัติครับสมบัตินั้นมันไม่อยู่กับตัวตลอดไปนะครับพี่น้องครับอย่า ส, สัสมทรัพสมบัติที่มีหนอนมากินได้มีแมลงมีขโมยมาได้นั่นคือคำสอนของพระเยซู เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติของโชโลมอนที่สะสมไว้นะครับหายไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมดหายไปถึงระดับไหนครับหายไปถึงระดับโล่ทองคำที่ทำขึ้นมาเลห o หอบอมก็เลยทำโล่เกครับก็คือโล่ทองสมริดแทนและมอบหมายให้เราผู้เป็นขับบัญชาทหารที่ประจำการอยู่หน้าพระราชวังดูแลเมื่อไรก็ตามที่เลหหอบออมนั้นเสด็จมายัางพระวิหารของพระเจ้าก็ให้ถือโล่ครับ หลังจากนั้นก็นําไปกลับไว้ที่ก่องเก็บไว้ที่กองรักษาการก็คือยืมมาใช้ถึงขนาดต้องยืมกันแล้วครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในราชการเลโฮโบอัมเป็นสิ่งที่น่าอับอายจริงๆริงไหมครับว่ามันถึงคราวตกต่ําแล้วถ้าประชากรของพระเจ้ามีผู้นําหรือมีผู้ปกครองที่เป็นเช่นนั้นนั่นคือการประนีประนอมกับโลกครับพี่น้องครับอะไรที่โลกทําสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎบัญญัติของพระเจ้าและเราก็ไปกับโลกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทางด้านจริยธรรมก็ดีทางด้านศีลธรรมก็ดีไปกับโลกไม่ได้ครับเราจะต้องแยกตัวออกจากโลกเราไม่ใช่เป็นของโลกแต่เราอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวความพยายามที่จะประนีประนอมกับโลกความพยายามที่จะประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ความมั่งคัง่งในเบื้องต้น แต่มันไปไม่นานครับมันก็จะเห็นผลไม่รุ่นนี้ก็รุ่นหน้าผมอยากจะกลับมาวิเคราะห์ชีวิตของเรโหโบอัมนะครับว่าทำไมถึงชั่วลายได้ถึงขนาดนี้อันที่หนึ่งครับมารดาของเรโหโบอัมก็คือนาอามาชาวอัมโมนชาวอมโมนคือใครครับไม่ใช่เป็นอิสราเอลครับแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาเนี่ยจะเป็น พี่น้องกับอิสอเอลแต่ชาวอโมนนั้นมาจากเบื้องหลังแบ็กกราวน์ที่กราบไหว้รูปเคารพแต่ด้วยเหตุนี้เรโหโบอัมจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับที่จะมีแนวโน้มถูกโน้มน้าวไปสร้างศาลเจ้าไปสร้างสถานบูชาศิลาศักดิ์สิทธิ์เสาเจ้าแม่อาเชราลักษณะของการสร้าง พวกลูกเขารับต่างๆนี้สร้างบนเนินเขาทุกลูกครับแล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นก็เหมือนกับบ้านเราครับเอาอะไรไปผูกเอาผ้าไปผูกเอาอะไรไปวางนะครับแล้วก็มีมีทูบมีเทียนมีอาหารนั่นแหละครับเป็นลักษณะทํำนองคล้ายๆกันพี่น้องครับบาปนี้คือบาปใหญ่ครับพระพีใช้คําว่ายั่วยุความโกรธของพระเจ้านั่นนะครับคือประการแรก นามาเป็นผู้หญิงชาวอัมโมนและเป็นแม่ของเรโหโบอัมประการที่สองเราจะเห็นว่าชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์ก็เช่นเดียวกันนะครับมาจากไหนครับมาจากการชักนำของมาเหสีของโซโลมอนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอียิปต์นั่นแหละครับเป็นเหตุที่ทำให้มีสายลับ หรือมีหอกข้างแคร่ที่คอยทิ่มตําอิสราเอลตลอดเวลานั่นคือประการที่2ประการที่3ก็คือประการที่เรียนแบบเยโรโบอัมครับเยโรโบอัม er นั้นก็เลวร้วายไม่แพ้กันเพราะเนื่องจากเยโรโบอัมนั้นก็สร้างสถานศักดิ์สิทธิ์สร้างเสาเจ้าไม้อชราบนสถานที่สูงก็คือบนเนินเขาทุกลูกทุกเนินนั่นคือการเรียนแบบ เรียนแบบครับพฤติกรรมการเรียนแบบที่ผิดจากพระเจ้าของพระเจ้าก็นำตัวเองไปสู่ความตกต่ำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโปรดระวังทั้งสามอย่างนี้ให้ดีในที่สุดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็คือมีสงครามรบพรุ่งกันไม่ขาดระหว่างเลโฮโบอัม um กับเยโรโบอัม um ครับและในที่สุดก็ตายแต่ว่าใครครับที่ได้รับผลแห่งการกระทาอย่างนี้ก็คือชนชาวยูดาชนชาวเบจมิน ที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งสองกษัตริย์ทั้งบนและล่างเหนือและใต้ก็ล้วนแต่เป็นกษัตริย์ที่ตกต่ำเลวร้ายชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้นนั่นเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากครับคําถามก็คือว่าเราเองจะถูกบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตการกระทำของเราทุกอย่างต้องถูกรายงานครับ การกระทําที่ไม่ดีการกระทําที่ดีทุกอย่างจะต้องรายงานหมดและจะไม่มีใครที่ปกปิดปิดบังได้มีวันหนึ่งครับพวกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องถวายรายงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันครับณเวลานั้นความยินดีจะปรากฏความเศร้าโศกเสียใจก็จะปรากฏด้วยดังนั้นคือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องระวังไม่มีสักสิ่งเดียวเยลโลอัมและเลหฮมวามนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อ่านเมื่อไหร่ ก็เกิดความสสียเอียนอันเมื่อไรก็เกิดบทเรียนในทางลบทั้งสิน้นขอให้ชีวิตของเราที่จะเป็นบทเรียนในทางบวกให้กับคนอื่นนะครับอาเมน